อนัตตะลักขณสูตรเอวัมเมสุตังขปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้เอกังสมยังพะกวาบารานสียังวิหารติสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ใกล้เมืองพรารานสีอิสิปตนีมิกดาเย ในป่าอิสิปตนะมรุกขทยวันตัตตระโคเพขวาปัญจวัคคเยภิคู่อามันเตสิขณะนั้นแลพระผู้มีพระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวัคคีมาแล้วตรัสว่ารูปังภิกขเว อ, อนตตาภิกษุทั้งหลายรูป เป็นอนาตารูปัญจหิดังพิกเวอัตาอภาวิสสะภิกษุทั้งหลายถ้ารูปนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณยิดังรูปังอาบาทายะสร้างวัตยะรูปนี้ไม่พึงเป็นเพื่ออาภาธลเพเททะจรูปเป และบุคคลพึงได้นิรูปว่าเอวังเมรูปังโห้ตุรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมรูปังมาอโหสิติรูปของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยสมาจจโคพิขเวรูปังอนตาภิกษุทั้งหลาย ก็เพราะรูปเป็นอนัตตาตัสมารูปังอาบาทายะสร้างวัตติฉะนั้นรูปจึงเป็นไปเพื่ออาพาณจะลัพติรูปเปและบุคคลย่อมไม่ได้ในรูปว่าเอวังเมรูปังโห้ตุรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิด เอวังเมรูปังมาอาโหสิติรูปของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยเวดนาอนัตตาเวทนาเป็นอนัตตาเวด น, น, น, นาจะฮีดังพิกเวอัตาอภาวิสสภิกษุทั้งหลายถาเวทนานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณีดัง เวทนาอาบาทายะสั่งวัตเตยะเวทนานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาธลพเทถจะเวทนายะและบุคคลพึงได้ในเวทนาว่าเอวังเมเวทนาหตุเวทนาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมเวทนามาอาหสอีติ เวทนาของเราจงอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยาสมาจะโคพิขเวเวทนาอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะเวทนาเป็นอนัตตาตัาสมาเวทนาอาบาทายะสังวัตติฉะนั้นเวทนาจึงเป็นไปเพื่ออ า, าะะพาธนะจลรพติ เวทนายะและบุคคลย่อมไม่ได้ในเวทนาว่าเอวังเมเวทนาโหตุเวทนาของเราจงเป็นอย่างนั้นเถิดเอวังเมเวทนามาอาโหู้ซีติเวทนาของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสัญญาอนัตตา สัญญาเป็นอนัตตาสัญญาจะฮิดังพิขเวอ ต, ตาอภาวิสักภิกษุทั้งหลายถ้าสัญญานี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณยิดังสัญญาอาบาทายะสั่งวัตเตยะสัญญานี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออ า, าพาลพเทจะสัญญายะ และบุคคลพึงได้ในสัญญาว่าเอวังเมสัญญาหตุสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสัญญามาอาโห้อซีติสัญญาของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจัโคภิกเวสัญญาอนัตตาภิกษุทั้งหลายก็เพราะสัญญาเป็นอนัตตา ทัศมาสัญญาอาบาทายะสังวัตติฉะนั้นสัญญาจึงเป็นไปเพื่ออาพาธจะรับพติสัญญายะและบุคคลย่อมไม่ได้ในสัญญาว่าเอวังมีสัญญาโหตุสัญญาของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังมีสัญญามาอโห้อซีติ สัญญาของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยสังค่าราอนัตตาสังขารทั้งหลายเป็นอนัตตาสร้างคาราจหีดังพิกเวอัตาอภาวิสัสุปภิกษุทั้งหลายถ้าสังขารเหล่านี้จักได้เป็นอัตาแล้วณยีดังสัง้างคาราอาบาทายะ สร้างวัตยุงสังขารเหล่านี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาพาธลัเพเทธจะสร้างฆ่าเรสุและบุคคลพึงได้ในสังขารทั้งหลายว่าเอวังเมสังค่าราห้นตุสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสั้างคารามาเฮสุนติ สังขารทั้งหลายของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยสมาจัโคพิขเวสร้างฆาราอนาตาภิกสุ ท, ทั้งหลายก็เพราะสังขารทั้งหลายเป็นอนาตาัตตาตัสมารสร้างฆาราอาบาทายะสร้างวัตตันติฉะนั้นสังขารทั้งหลายจึงเป็นไปเพื่ออาพาธ น่าจะละพติสร้างฆ่าเรสุและบุคคลย่ำมไม่ได้ในสังขารทั้งหลายว่าเอวังเมสร้างฆ่าราห้นตุสังขารทั้งหลายของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมสร้างฆ่ารามาเฮสุนติสังขารทั้งหลายของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยวิญญานังอนัตตา วิญญาณเป็นอนัตตาวิญญาณัญจะฮีดังพิกเวอัตตาอภาวิสะภิกษุทั้งหลายถ้าวิญญาณนี้จักได้เป็นอัตตาแล้วณนะยีดังวิญญาณังอาบาทายะสร้างวัตเตยะวิญญาณนี้ไม่พึงเป็นไปเพื่ออาภาลบเพทะจะวิญญาณเน และบุคคลพึงได้ในวิญญาณว่าเอวังเมวิญญาณังโหตุวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมวิญญาณังมาอโห้อซีติวิญญาณของเราอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยยัสมาจะโคพิเกเววิญญาณังอนัตตาพิกษุทั้งหลายก็เพราะวิญญาณเป็นอนัตตา สสมาวิญญาณังอาบาทายะสร้างวัตติฉะนั้นวิญญาณจึงเป็นไปเพื่ออาภาณาจารพติวิญญาเนและบุคคลย่อมไม่ได้ในวิญญาณว่าเอวังเมวิญญาณังหตุวิญญาณของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดเอวังเมวิญญาณังมาอาโหสซีติ วิญญาณของเราย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยตังริงมัญทะพิกเวพิกษุทั้งหลายพวกเธอสำคัญความข้อนั้นเป็นฉไนรู ป, ปังนิจังวาอนิจังวาติรูปเทียงหรือไม่เทียงอนิจังพันเตไม่เทียงพระเจ้าข้า ยำปนานิจังทุกขั้งวาตังสุขั้งวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจจังทุกขั้งวิปรินามัธมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดา กัลลังนุตังสมานุปัสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหัมัสมินั่นเป็นเราเอโซเมอัตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้น ไม่ควรเลยพระเจ้าข่าเวทนานิจจาวาอนิจจาวาติเวทนาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข่ายัมปนาณิจังดูข้างวาตังสุข้างวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่า ดุขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข้ายำปนานิจังดุขั้งวิปริณวามธรรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมนุปสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเรา เอโซหามัสมินั่นเป็นเราเอโซเมอตตาติ at นั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข่าสัญญานิจจาวาอนิจจาวาติสัญญาเที่ยงหรือไม่เที่ยงอานิจจาพันเต ไม่เที่ยงพระเจ้าข่ายำปนานิจังดูขั้งวาตังสุขั้งวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเล่าดุขั้งพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจังดุขัง้งวิปริณามธรรมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์ มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมนุปัสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะนั่นของเราเอโซหะ ม, มัสมินั่นเป็นเราเอโซเมอตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้น ไม่ควรเลยพระเจ้าค่าสั้งข้าราิจาวาอนิจาวาติสังขารทั้งหลายเที่ยงหรือไม่เที่ยงอนิจจาพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าค่ายำปานานิจังดูข้างวาตังสู่ข้างวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์ หรือเป็นสุขเล่าดูข้างพันเตเป็นทุกข์พระเจ้าข่ายำปนานิจังดูข้างวิปริณ า, ามัธมังก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดากัลลังนุตังสมณุปสิตุงควรหรือจะตามเห็นสิ่งนั้นว่าเอตังมะมะ นั่นของเราเอโซหมาสมินั่นเป็นเราเอโซเมอตตาตินั่นเป็นตัวตนของเราโนเฮตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าค่าวิญญาณังนิจังวาอานิจังวาติวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยง อนิจังพันเตไม่เที่ยงพระเจ้าข่ายำปนานิจังดุขัางวาตังสุขัางวาติก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกหรือเป็นสุขเล่าดุขัางพันเตเป็นทุกพระเจ้าข่ายำปนานิจังดุขัางวิปรินาธรรมัง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 โนเฮ ต, ตังพันเตข้อนั้นไม่ควรเลยพระเจ้าข่าตัสมาติหะพิกเวพิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลยังกินจิรูปังอติตานาคตะปัจจุปป น, นงังรูปอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน อัจจะตังวาบมฮิตาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุขุมังวาอยากหรือละเอียดหีนางวาปนุยตังวาเลวหรือประนีตยังดูเรวาสั้นติเกวาไกลหรือใกล้สับบังรูปังทั้งหมด ก็เป็นแต่ศักวรูปีนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมาสมินั่นไม่เป็นเราณะมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตังสัมมัปปัญญายะดัถบังเธอทั้งหลายพึงเห็นรูปนั้น โดยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยากาจิเวเดนาอติตานาคตะปจจุปนาเวทนาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัจชตังวาบหิตาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาอยาก หรือละเอียดฮีนาวาปนุยตาวาเลวหรือประนีตยาดูเรวาสันติเกวาไกลหรือใกล้สับบาเวทนาทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าเวทนาเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหามาสมินั่นไม่เป็นเรา นามโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยะธาภูตังซัมมปัญญายะดัธบังเธอทั้งหลายเพิ่งเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยากาจิสัญญาอติตานาคตะปัจจุป น, นาสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอั จ, จตาวาบหิทธาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุขุมาวาหยาบหรือละเอียดหีนาวาปนุยตาวาเลวหรือประนีตยาดูเรวาสันติเกวาไกลหรือใกล้ สัปบาทัญญาทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าสัญญาเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมามะสมินั่นไม่เป็นเรานาเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะเมตังยะท่าภูตั ง, ตงสัมมัปปัญญายาดับังเธอทั้งหลาย พึ่เห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตาเป็นจริงอย่างนี้แลเยเกจิสั่งขาราอติตานาคตะปัจจุปนาสังขารทั้งหลายอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันอัชตาวาบิหิตาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกาวาสุกุมาวายา หรือละเอียดฮีนาวาปนุยตาวาเลวหรือปนีบเยดูเรวาสั้นติเกวาไกลหรือใกล้สับเบสั่งฆ่าราทั้งหมดก็เป็นแต่ศักว่าสังขารเนตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซฮามาสมินั่นไม่ใช่เรา นะเมโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวามีตังยทธาภูตังสัมมัปปัญญายะดัถ บ, บังเธอทั้งหลายซึ่งเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลยังกินจิวิญญาณังอติตานาคตะปัจจุปันังวิญญาณอย่างได้อย่างหนึ่งที่เป็นอดีต อนาคตและปัจจุบันอัจเตังวาบะหิทาวาภายในหรือภายนอกโอลาริกังวาสุขุมังวาหยาบหรือละเอียดหีนังวาปานยตังวาเลวหรือประณีด ย, ยังดูเรวาสันติเกวาไกลหรือใกล้สับบังวิญญาณัง ทั้งหมดก็เป็นแต่สักว่าวิญญาณเน่ตังมะมะนั่นไม่ใช่ของเราเนโซหมาสมินั่นไม่เป็นเรานามีโซอัตตาตินั่นไม่ใช่ตัวตนของเราเอวะมีตังยทธาฟูตังสัมมปัญญายะดัถ บ, บังเธอทั้งหลาย เพงเห็นรูปนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามเป็นจริงอย่างนี้แลเอวังปะสั่งพิกเวสุตวาอริยสาวโกโภพกษุทั้งหลายอริยสาวกผู้ได้ฟังแล้วเห็นอยู่อย่างนี้รูปสมิงปินิ บ, บินติย่อมเบื่อนายแม้ในรูปเวณนายยปิ นิบินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในเวทนาสัญญาปินิบินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสัญญาสั่งฆาเรสุปินิบบินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในสังขารทั้งหลายวิญญาณสมิงปินิบบินติย่อมเบื่อหน่ายแม้ในวิญญาณนิบบินดังวิรัชติ เมื่อเบื่อหน่ายย่อมสิ้นกำนัตวิรากาวิมุตติเพราะสิ้นกำนัดจิตก็หลุดพ้นวิมุตตสมิงวิมุตตามิติยานังหติครั้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วขี้นาจาติหุศิตังพระหมามจริยัง กตังกระโนยังนาปรังอิทตาญาติปญานาติติย่อมทราบชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจันทร์ได้อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำเสร็จแล้วกิจอื่นอีกเพื่อความเป็นอย่างนี้ไม่ได้มีอิดามโวจาภะกวาพระผู้มีพระภาค ได้ตรัสพระสูตรนี้แล้วอัตมานาปัญจวัคคยาพิคุเพกวะโตพาสีตังอภินันดุงพิกษูปัญจวักีมีใจยินดีเพลิดเพลิน้าสิทธิของพระผู้มีพระภาคอิมัสมิงจะปนะเวยกากรนวสมิงพันยมาเนกแล เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสวิยากรณภาสิตนี้อยู่ปัญจวกียานังพิคู้นังอนุปาดายะอาสเวหิจิตตานิมิมุตจิงสู้ติจิตของภิกษุปัญจวกีพ้นแล้วจากอาสวะทั้งหลายเพราะไม่ถือมัน่นอนัตตะละัคณะสูจบ